ยาซีเรียกเรื่องฝึกตนให้เป็นคนซื่อสัตย์นานมาแล้วยังมีชายชราคนหนึ่งแก่มาก จนตัวเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไรแล้วใบหน้าของแกอิ่มเอิบเปล่งประกายเลือดฝาดคราวสีเงินยวงสะอาดตาของแกยาวปกคลุมมาถึงหน้าอกร่างกายของแกแข็งแรงมากตายังไม่ฟ้าฟางหูก็ยังไม่หนวกแกมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง แต่แกก็ยังเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในครอบครัวปีนี้แกตัดสินใจว่าจะเลือกใครคนหนึ่งจากลูกชาย15คนมาสืบทอดภารกิจนี้เสียทีแต่ว่าจะเลือกใครดีละ่ะวันนี้แกคิดวิธีที่ดีที่สุดได้แล้วจึงสั่งให้ลูกชายทั้ง15คนมาพบ แล้วแจกเมล็ดดอกไม้ให้ลูกๆคนละหนึ่งเมล็ดหากใครสามารถปลูกเมล็ดพืชเมล็ดนี้ให้งอกงามจนออกดอกบานสะพรั่งคนนั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดมรดกของแก่ลูกๆได้เมล็ดพืชมาแล้วต่างนำไปปลูกและดูแลอย่างเอาใจใส่ลูกชายคนเล็กของชายชาราผู้นี้มีชื่อว่า เสี่ยวเหลียงจือเมื่อได้มเมล็ดดอกไม้แล้วแกก็นำไปปลูกในกระถางลดน้าเอาใจใส่อย่างดีทุกวันทุกคืนแต่มเมล็ดพืชเมล็ดนั้นก็ยังคงไม่แตกกล้าเสียทีเสี่ยวเหลียงจือรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วฤดูร้อนย่างกรายมาถึงแล้ว ชายชาราผู้เป็นพ่อกำหนดว่าวันนี้จะเป็นวันคัดเลือกกระถางดอกไม้ของลูกๆ ล, ลูกทุกคนต่างอุ้มกระถางดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยสดงดงามมาให้ผู้เป็นพ่อชมเพื่อรอการคัดเลือกชายชาราเดินตรวจดอกไม้ที่สวยงามในมือของลูกๆ ด้วยสีหน้าที่ไม่มีแววยินดีแม้แต่น้อยแกเดินตรวจจากบุตรชายคนโตมาจนถึงบุตรชายคนที่14โดยไม่ได้หยุดเลยเมื่อเดินมาถึงเสี่ยวเหลียงจือบุตรชายคนสุดท้องซึ่งยืนถือกระถางเปล่าที่ไม่มีต้นไม้และดอกไม้ชายชาราจึงหยุดกึ๊กอยู่ตรงนั้นเสี่ยวเหลียงจือน้ําตาไหลพราก กล่าวกับบีดาอย่างสำนึกผิดว่าพ่อครับผมไม่มีดอกไม้สดที่จะมอบให้พอ่อชายชรากลับพูดอย่างยินดีปรีดาว่าลูกเอ้ยสิ่งที่เจ้ามอบให้พอนั้นมีค่ามากกว่าดอกไม้สดมากมายนะักอะไรครับความสื่อสัารไงละ่ะ เรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ ช, ชายชราจึงเปิดเผยความลับต่อลูกๆว่าที่แท้มเมล็ดพืชที่ตนแจกแก่ลูกๆนั้นเป็นมเมล็ดพืชที่ตนนำไปคั่วจนสุกแล้วดังนั้นมันจะงอกเป็นต้นไม้ผลิดอกสดสวยได้อย่างไรพวกที่ถือกระถางดอกไม้ซึ่งผลิดอกสวยงามนั้น ล้วนเป็นเมล็ดพืชจากที่อื่นไม่ใช่เมล็ดพืชที่ผู้เป็นพ่อแจกให้ดอกไม้พวกนั้นเป็นสักขีพยานยืนยันความไม่ซื่อตรงของพวกเขา